ว่าความสุขทั้งหลายดัยงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตถิสันติปะรังสุ ข, ขงังความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ความเย้า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 ความสุขทางตาหูจมูกเยื่อไก่เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงของจริงต้องเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, การจะทำให้ใจสงบ ก, ก็ต้องมีสถานที่สงบที่เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกก็คือ ความสงบทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระอยู่ในความสงบอย่างในสถานที่นี้รูปก็อยู่ในความสงบไม่มีการเคลื่อนไหวต้นงต้นไม้อะไรต่างๆก็อยู่กับที่นิ่งอยู่ในความสงบเสียง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 เป็นกลิ่นรสของธรรมชาติกลิ่นก็กลิ่นของต้นไม้ใบหญ้ารสก็ไม่มีการเสพสัมผัสเครื่องเดิมหรือขนมน ม, นมเนยอะไรต่างๆผลทพะที่มาสัมผัสกับร่างกายก็เป็นสายลมที่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 การทำจิตให้วิเวกก็จะเป็นตายได้อย่างง่ายดายแต่จะต้องอาศัยทำคือสติเป็นเครื่องช่วยยึงใจให้เข้าสู่ความสงบเพราะถึงแม้ว่าสถานที่คือกายวิกายจะวิเวกแต่ถ้า ใจไม่มีสติคอยควบคุมกากับใจก็จะยังไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ด้วยตนเองจาเป็นจะต้องมีธรรมคือสติเป็นผู้ดึงจิตดึงใจให้รวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นหนึ่งให้เป็นอัปปนาให้เป็นอุเบกขาให้เป็นสักดะวารู้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 ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เวลาใดที่มีความโลภความอยากีความสงบจะหายไปเวลาใดที่ไม่มีความโลภความอยากเวลานั้นความสงบก็จะกลับคืนมานี่คือสงครามของจิตใจสมรภูมิลบของจิตใจก็คือ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 อยู่ที่ราบยศสารเสริญอยู่ที่รูปเสียงกิ่นนสโพธพภะผู้ที่จะสามารถที่จะมาทำลายความหลงนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกคมที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้ก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนั่นเอง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 แล้วก็บังคับให้คิดไปในทางไม่โลภไม่อยากได้ลาบยศสรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็เหมือนกับการกรอบรถนั่นเองถ้าเราเดินทางไปผิดทางเช่นเราต้องการไปไปทางเหนือแต่รถกำลังวิ่งไปในทางใต้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 เราต้องหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางลาบยศสรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะแล้วหันมาคิดไปในทางที่ไม่ต้องการลาบยศสรเสริญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะพอคิดอย่างนี้ได้ก็จะไปหาที่สงบสงัดวิเวกได้ไปปรีกวิเวกได้ ไปเจริญสติได้ไปหยุดความคิดที่อยากจะได้ลาบยศสรรเสริญได้แล้วก็ห้ามใจทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะหาลาบยศสรรเสริญก็ใช้ความคิดที่คิดว่าไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผทธภะ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 หาความสุขทางตาหูจมูกนืนกายกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์แรกที่ทรงรู้สัจธรรมความจริงของความสุขและของความทุกข์ใจนี้หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็ได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแต่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรา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 นี่คือเรื่องของกิเลสตัณหาที่จะพยายามที่จะไม่ให้จิตใจคิดไปในทางความจริงจึงจาเป็น ต, ต้องสร้างกำลังขึ้นมาสร้างสติที่จะเป็นตัวหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความหลงให้ได้ก่อนให้หยุดความคิดที่จะไปแสวงหาสิ่งต่างๆ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 ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องจากมันไปเช่นเดียวกับร่างกายร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้นอกจากร่างกายของเราแล้วเราก็ยังต้องพลาดลาดจากร่างกายของผู้อื่นของคนที่เรารักที่เราเคารพเช่นบิดามารดาปุยา่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย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 อันนี้เป็นความคิดที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบขึ้นมาก่อนแล้วทำให้ดับความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้หลังจากนั้นพระองค์จึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ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 สิ่งที่ต้องทำตามนี้เราไม่เรียกว่าความโลภความอยากสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นการเลี้ยงดูร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าทำตามเหตุตามผลนี้จะไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยากเช่นถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารถึงเวลาต้องดื่มน้ำก็ดื่มน้ำ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 ความสุขมีความพอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ผู้ที่ยังต้องใช้ร่างกายเช่นผู้ที่ยังต้องปฏิบัติต้องไปปีกวิเวกหาสถานที่สงบสงดัดหาสถานที่เจริญสติเพื่อล้างความโลภความอยากต่างๆเพื่อให้จิตมีความสุขยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่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 ร่างกายต้องการกิ่นสีเลือรลดรสหรือไม่หรือว่าร่างกายต้องการน้ำเปล่าเปล่าถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มแต่น้ำเปล่าเปล่าไปแต่ถ้าดื่มเพื่อกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็ต้องมีรสมีชาติมีกลิ่นมีสีเช่นรสชาติของกาแฟกลิ่นสีของกาแฟ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 ยาเสพติด ต, ต่างๆกลิ่นของยาเสพติด ต, ต่างๆเนื้อกลิ่นของน้ําหอมต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความทุกข์ให้กับใจว่าเป็นการทําตามกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะผู้ปฏิบัติเพื่อดับความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะ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 เดินก็ต้องเดินเพื่อร่างกายอย่าไปเดินเพื่อความอยากสูดดมอากาศเข้าไปก็สูดดมเพื่อร่างกายอย่าไปสูดดมเพื่อเพื่อความอยากแล้วความอยากต่างๆก็จะได้ไม่ไม่มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจนี่คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้จาก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 ให้ใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทใดเวลาใดยกเว้นเวลาหลับหรือเวลาที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทำการเท่านั้นนี่เป็นการเอายาธรรมโอสดเข้าสู่ใจยาชนิดแรกเรียกว่าสติจเจริญสติ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 รับยาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนําออกไปปฏิบัติต่อปฏิบัติเพียงขณะที่นั่งฟังอยู่นี้ก็จะได้ผลชั่วคราวถ้าอยากจะให้เป็นผลที่ยาวนานและถาวรก็ต้องปฏิบัติไปตลอดเวลาในทุกอิริยาบทตั้งแต่ตื่นจนหลับขึ้นมาถ้าสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจะปรากฏอยู่เรื่อยๆ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 สามารถที่จะข้ามสติข้ามสมาธิแล้วก็ไปปัญญาได้เลยเป็นเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่ปฏิบัติแล้วบรรลุได้นี่ก็เถอว่าวิเศษเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วจะไป ไปเจริญปัญญาปัญญาที่คิดว่าตนเองเจริญนั้นไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นสัญญามันเป็นความจำเวลาจะเอามาใช้ทำลายกิเลสตัณหาก็จำไม่ได้เสียแล้วเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี้นึกไม่ถึงลืมไปหมดอยากจะดื่มกาแฟนี่ลืมไปหมดมีแต่จะเดินหากาแฟให้พลานไปหมดแทนที่จะหยุดความอยากลืมกัน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 นั่นแหละคือปัญญาของผู้ที่ไม่เจริญสติไม่มีสมาธิกันฉนั้นอย่าไปข้ามขั้นตอนทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเป็นขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงได้บําเพ็ญมาก่อนเพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ข้ามสติข้ามสมาธิไปสู่ปัญญาเลยมีแต่สอนว่าต้องสติก่อนเราจะได้สมาธิได้สมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญา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 มาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตโรธรมมวทานติอายุวันโนสุขังภาลางต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็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 ต้องการที่จะทําลายการอารมณ์ต่างๆเราก็ไม่ต้องไปแต่งไปเสริมความงามเแต่อาบน้ําอาบท่ารักษาให้ร่างกายมันสะอาดเรียบร้อยหวีผาหวีผมไม่ลกนิ้ไม่ไม่ให้มันดูอุด จ, จัดตาก็พอเพราะเรายังอยู่ในสังคมของคนที่เขายังเลือกดูรูปกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูเพื่อเสพการอารมณ์เขาก็จะดู คุณสมบัติของเราว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือไม่ถ้าเราไม่อาบน้ำอาบท้าไม่หวีผาหวีผมไม่ซักเสื้อผ้าเลยเขาก็จะคิดว่าไอคนนี้มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมีประมาณคือเราทำไม่ได้ทำเพื่อสร้างเสริมสร้างเรื่องของการอารมณ์เนื่องจากที่เรายังต้องอยู่ในสังคมกับผู้อื่นสิ่งใดที่สังคมเขาลังเกียดเช่นความไม่เรียบร้อย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 คือวิญญาณในขันก็คือวิญญาณที่ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเวลาที่มาสัมผัสกับตาหูจะมุกเล้นกายเช่นตอนนี้ตอนนี้วิญญาณที่เรียกว่าจักอโศตะวิญญาณกําลังทํางานอยู่พอได้ยินเสียงเข้าไปที่หูวิญญาณก็ออกมารับแล้วส่งไปที่ใจอีกต่อหนึ่งร่างกายเป็นเพียงจุดรับอะไรเหมือนกับไมโครโฟน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 วิญญาณนี้ไปกับใจด้วยแต่ตอนที่ไปมันไม่ได้ทํางานมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีร่างกายอันใหม่ปรากฏขึ้นมาข อ, ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูหนูชอบตื่นเต้นเป็นกิเลสแบบไหนคะพระอาจารย์ไม่มีสติไงควบคุมใจไม่ได้ อ, อาจควบคุมเจริญสติบ่อยๆต่อไปลองมือะก็สั่นด้วยค่ะพระอาจารย์หนูยหยุดไม่ได้พุดโทรไ้เสียเวลาสั่นก็พุดโทรพุทโธไปอาจท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะหายสั่น อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราสั่นได้ <c oughs> เวลาไปเจอผีนี่พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หาย <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะสงบสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมใจของเรา <c oughs> ใจสั่นใจวิวนี่ก็เพราะไม่มีสติกัน <c oughs> ขอพระคุณค่ะอย่ารอให้มันครบหกปีเลยไม่ไดเ้เดี๋ยวตายไปก่อนอย่าทำเลย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 นี่เป็นครั้งแรกที่หนูเคยที่หนูมาปฏิบัติทำค่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูหนูโดนผีหลอกที่บ้านของตัวเองค่ะก็คือหนูเห็นหนูเห็นเขาคือเขาเห็นให้ใหมีคนทักเริ่มแรกคือหนูไปร้านซื้ อ, อทูบเทียนมามาไหว้พระที่บ้านนะคะแล้วทีนี้มีอาจารย์ที่เขาเขาขายอ่ะเขาบอกว่า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 ปัญหาอยู่ที่เราคือความกลัวของเราและวิธีที่จะแก้ความกลัวก็คือให้สวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัวสวดสั้นๆก็ได้สวดมุตโตธรโมสังโฆอะหลังสามมาสวดบทที่เราจําได้อย่าไปคิดถึงเรื่องผีนั้นเดี๋ยวมันก็จะพอใจสงบแล้วมันก็จะหายไปก็คือตอนนี้ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์แล้วหนูยังมีความรู้สึกว่ า, เ, าเขายัง อ, อยู่ แต่ความรู้สึกของเราเองเขามีจริงไม่มีจริงเราไม่รู้คุณถึงมาถามเราไงมีจริงไม่มีจริงใช่ไหนูอยากทราบอะค่ะว่ามีวิธีแก้ไขอะไรไหมเพราะว่าเหมือนเพราะว่ามีคนมาทํามาเ่ยแนะนําหรือว่าให้ทําบุญถวายสังฆทานหนูก็ไปทําแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะต้องสวดมนต์ทั้งยี้ดีต้องสวดเวลาที่เขามาที่เรารู้สึกว่าเขามาอยู่รู้พอเรารู้สึกว่าเขามาปุ๊บก็สวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไป เป็นก่าใจเราจะสงบแล้วความรู้สึกนั้นหายไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์โยมมาจากจังหวัดนครสคแต่ว่าได้หลวงสีธรรมะมาจากจังหวัดอุดรหอวงมะของพระอาจารย์เพราะว่าข้างบ้าคเาถือมาให้แค่โยมอ่านดีโยมจิตก็น้อมใจแล้วก็ชวนหลานสาวที่อยู่จังหวัดเชียงใหม วันนี้ก็เลยดานโดดมาถึงที่นี่ถามทาง ม, มาตอลอดก็ยครับอานุโมทนาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จให้นั่นน ะ, ะตามท้องสือซีดีไปได้นะตามตามสบายทางบ้านทางอินเทอร์เน็ตเชิญถามได้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพญานาคและเทวดาพญานาค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 เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะถ้ากินยาก็หายกันทั้งนั้นถ้าไม่กินยามันก็ไม่หาย <c oughs> แั้นมันอยู่ที่อยู่ที่ยาอยู่ที่ธรรมอะอย่างแม่แม่ของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ยากับแม่ของพระพุทธเจ้าถึงสวรรค์เลยก็ได้บรรลุได้แต่เทวดารูปอื่นที่ไม่สนใจจะฟังธรรมขเขาก็ไม่บรรลุ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 คือการทำใจให้สงบการเจริญสตินี้แต่ละคนจริตไม่เหมือนกันวิธีที่จะเจริญสติก็เลยมีหลากหลายวิธีที่เรียกว่ากรรมฐาน40นี้เป็นการเจริญสติทั้งนั้นให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกเจริตกับเราเหมือนกับการรับประทานอาหารที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่ผลที่ได้รับจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆก็เหมือนกัน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 คความสมมำถามต่อไปจากคุณยิ่งลาววชิระชีวินผมสงสัยว่าทำไมพระมหานิกายต้องยัตติกรรมใหม่เพื่อเป็นพระธรรมยุทธ์พระมหานิกายปฏิบัติไม่ได้หรือขอรับคือพระนิกายไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแะแต่การอยู่ร่วมกันในกลุ่มนั้นก็เหมือนกับ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 ไม่ขึ้นกับนิกายใดไม่ขึ้นกับคําสั่งของมหาเถรสมาคมที่ปกป้องที่ปกคมทรองที่ปกครองดูแลพระสงฆ์ทั้งสองนิกายปฏิเสธหมดกลายเป็นนิกายแปกขึ้นมาอีกอันหนึง่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่จําเป็นอยู่นิกายไหนก็ทําตามที่ก็ เขาสอนเขาให้ทำอย่างไรก็ทำตามเขามันก็หมดปัญหาไปถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำตามก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปสร้างนิกายใหม่ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณอานัตเลิศศิริวรกุลกระผมเคยด่าพระที่ซื้อหวยหลายปีแล้วครับพอตอนหลังรู้สึกว่าตัวเองผิดเพราะท่านซื้อหวยก็เป็นเรื่องของท่าน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 พิจารณาบุคคลต่างๆการกระทํำของบุคคลต่างๆนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราตนิหรือไม่ตนันิเราอาจจะวิเคราะห์พิจารณาเพื่อหาความจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ไปแต่จะเอาเรื่องนั้นมาอ้างทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ทําบุญนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะตหนิก็ได้งั้นตหนิต้องดูที่ว่าเราเราตันิไม่ตันิ <laughs> ห่วงหรือไม่ห่วง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 คิดว่าถ้าเกิดเราต้องตายวันนี้แล้วเงินทองที่เรามีอยู่เหล่านี้เราจะ เ, าเราจะเอาไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทําบุญเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเลยคิดนึกถึงความตายอยู่เรื่อยให้สมมุติว่าเราอาจจะตายวันนี้ถ้าเราจะตายวันนี้เราจะไม่ไม่ตะหนี่เลยเราจะไม่โลภเลยอยากจะทําให้มันหมดหมดไปเลยคําถามต่อไปจากคุณวัิลีโตไทยสงศ์ หนูเคยทำแท้งมาก่อนแล้วตอนนี้หนูต้องการจะมีลูกแต่ไม่มีเป็นผลจากการทำแท้งของหนูหรือเปล่าคะต้องไปถามหม อ, อดูค <laughs> ำถามต่อไปจากคุณชยาทิพย์ดูลงคาเวโรดช่วงปีใหม่ผ่านมามีแต่เรื่องที่น่า ย, ยินดีแต่พอสังเกตใจเราเองก็ควร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 และนั้นเวลาเราจะปฏิบัติให้ตั้งที่เหตุเหตุก็คือมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญให้มากมักมรรคก็มีอยู่สามขั้นก็คือทานศีลภาวนาให้ตั้งจิตไว้ที่การทำทานการรักษาศีลการภาวนาว่าต่อไปนี้จะทำทานอยู่เรื่อยๆจะรักษาศีลอยู่เรื่อยๆจะภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะพาไปถึงพระนิพพานเอง